การสาบานด้วยสิ่งต่างๆห้าอย่างนั้นชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของเรื่องบนนี้ได้กล่าวถึงบรรดาผู้ยำเกรงขณะที่พวกเขาอยู่ในสวนสวรรค์อันสุขสาราศอยู่บนเตียงที่หันหน้าเข้าหากันอโลทรงประธานความสุขสาราญนานาประการให้แก่พวกเขาเช่นคู่ครองที่สวยงามการพบปะอย่างพร้อมหน้าพร้อมตากับบุตรหลานความปลื้มปิติยินดีกับอาหารและเครื่องดื่มนานาชนิด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 ในตอนท้ายของบทได้จบลงด้วยการเน็บแนมพวกปฏิเสธศรัทธาและบรรดาจเว็ตของพวกเขาโดยการพรรณนาและการตำหนิและได้อธิบายถึงการดื้อรั้นอย่างฉกาจของพวกเขาและใช้ท่านรอสู ล, ลุลอสโลลลอห์ในอันนลลอฮ์ดทน ต, ต่อการถูกทำร้ายในแนวทางของอัลลอฮ์จนกว่าความชี้เหลือของอัลลอฮ์จะมาถึงบทนี้ถูกขนานนามว่าบทอตู ด, อ ด, อด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 ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอวัตูรขอสาบานต่อภูเขาอัตูรตตรขอสาบานต่อคำภีที่ถูกจารึกไว้นนในม้วนกระดาษหรือหนังที่กลางแผ่ ขอสาบานต่ออาคารที่มีผู้ไปเยือนอย่างสม่ำเสมอขอสาบานต่อท้องฟ้าที่อยู่เบื้องสูงขอสาบานต่อทะเลที่ลุกโชน ช, ช่วงในวันเกียรม ب ب าอินอาดะบุร์บิคละวะติยะแท้จริงการลงโทษของพระผู้อภิบาลของเจ้าจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนไม่มีผู้ใดจะปกป้องมันได้ยูมตะมูรุสส์มาอูมูร่า วันที่ฟ้าจะสัส่นสะเทือนอย่างโลกาหวนวซีุลญบซัละเท่เขาจะปลิววนกระจัดกระจายตวัยอบิลัซนและนั้นความหายนะในวันนั้นจงประสบแก่บรรดาผู้ปฏิเสธอัลลดีนหุมฟีคอฎิยัลอ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 พวกเจ้าจะทนได้หรือไม่ได้ก็เท่าเทียมกันสําหรับพวกเจ้าแท้จริงพวกเจ้าจะถูกตอบแทนตามที่พวกเจ้าได้กระทําไว้เท่านั้นอท้จิงบรรดาผู้ย่ำเกรนั น, นจะนสวนวรและควแท้จริงบรรดาผู้ย่ำเกรงนั้นจะได้อยู่ในสวนสวนรรค์และความสุขสำราญแทา้จริงบววรรดาผู้ย่ำเกบงนั้นจะได้อยู่ในสวนสวรรค์และความสุขสำราญ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 พวกเจ้าชาวสวรรค์จงกินจงดื่มอย่างสบายใจตามผลงานที่พวกเจ้าได้กระทำไว้เถิดนอนเอกันเอกบนเตียงเรียงเป็นแถวและเราได้พวกเขามีผู้ครองเป็นหญิงสาวชาวสวรรค์นอลเอกันอกบนเตียงเรียงเป็นแถวแราไดขมีผองเปนหิงสาวชา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 ดังนั้นอัลลอ์ได้ทรงโปรดปรานแก่เราและได้ทรงปกป้องเราให้พ้นจากการลงโทษแห่งไฟที่ร้อนเป็นพิษอินนากุนนามินกดดอู์อินนฮัลอรฮมถ้าจริงเราได้บิงวอนขอต่อพระองค์ถ้าจริงพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงเงอื้อเฟือผู้ทรงเมตตาเสมอ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 เจ้าเป็นกวีที่เราคอยภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นแก่เขา จ, าามมจงกล่าวเถิดมุฮัมหมัดว่าพวกเจ้าจงคอย ค, อยความตายเถิดแท้จริงฉันก็อยู่ในหมู่ผู้รอคอยร่วมกับพวกเจ้า อันเตมอบดอันหมหรือว่าสติปัญญาของพวกเขาชายพวกเขาเชื่อเช่นนั้นหรือว่าพวกเขาเป็นกลุ่มชนผู้ฝา่าฝืนอัะอเรหบหรือพวกเขากล่าวว่าเขาได้ปั้นแต่งคำเพียอัลกุ ر า ن ขึ้นเองเปล่าบอกพวกเขาไม่ศรัทธาต่างหาก فاليأتوا بحديثٍ متنه إن كانوا صادقين แต่ั้นพวกเขาจึงนำคากล่าวเช่นเดียวกันนี้มาหากพวกเขาเป็นผู้พูดจริง أم خلقوا من غير شيء إنهم الخالقون หรือว่าพวกเขาถูกบังเกิดขึ้นมาโดยไม่มีผู้ให้บังเกิดหรือว่าพวกเขาเป็นผู้ให้บังเกิดตนเองได้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 หรือว่าพระองค์ทรงมีบุตรหญิงหลายคนและพวกเจ้ามีบุตรชายหลายคนอว่าพวกเจ้าขอคจรังพวกเมาดังนั้นพวกเขามีาระนี้สินนันหรือว่าพวกเจ้าขอค่าจ้างพวกเขาดังนั้นพวกเขาจึงมีภาระหนี้สินหนั้น หรือว่าที่พวกเขามีสิ่งเร้นลับแล้วพวกเขาได้บันทึกไว้อ a, หรือว่าพวกเขาต้องการที่จะวางแผนร้ายแต่ว่าบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานั้นพวกเขาต่างหากที่จะถูกวางแผนร้ายอมม ah ahi, หรือว่าพวกเขามีพระเจ้าอื่นจากอัลลอฮ์ มหาบรสุทธยิ่งด่าอัลลอ์จากสิ่งที่พวกเขาตั้งภาดผีท่ามนเมื่อพวกเขาเห็นทิ้นส่วนหล่นลงมาจากฟ้าฟ้าพวกเขาจะกล่าวว่ามันเป็นเพียงก้อนเมฆรวมตัวะดัมมมายุุลลููี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 าดังนั้นพวกเจ้าจงอดทนต่อพระบัญชาของพระผู้อภิบาลของเจ้าเพราะแท้จริงนั้นเจ้าอยู่ในสายตาของเราและจงแท้องสะดุดีด้วยการสรนเสริญพระผู้อภิบาลของเจ้าขณะเมื่อเจ้าลุกขึ้นยืนและส่วนหนึ่งของกลางคืนก็จงแท้สองสดุดีพระองค์และเมื่อยามคล้อยลับของหมู่ดวงดาว